ไม่มีเทศแบบประหลาดหรือว่าใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินไม่มีซ้ำไปซ้ำมาในระยมแต่ก็รที่จะนึกอยู่จะเอาอะไรซ้ําดีเนาะแล้วเป็นเทครั้งล่างาก็จะหาแบบว่าเริ่มต้นเลยนะนะเริ่มต้นเลยจะเอาใบนี้เนึกไปเนึกมาก็เลยมีคําถามขึ้นมา ว่าจะถามโยมเนี่ยว่าสติมันอยู่ที่ไหนแค่นึกมาแค่นี้อ๋อมีมีเลี่ยงเทศแล้วถามว่าสติอยู่ที่ไหนนี่ก็สบายแล้วถามเพียง่นี้ก็เทศได้แล้ะอาถามโยมนี่สติอยู่ที่ไหนอนีรถามจริงนะโยมอนุญาต พดูดดังมาได้เลยสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่ตัวสติอยู่ที่รู้สึกตัว <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ต <c oughs> าจะมายังเห็นว่ายังไม่ได้อา้าวบางคนก็รู้บางคนก็เกือบรู้ บางคนก็นยังเซ่อๆอยู่เอาละมาพูดกันอันเนี้ยหมดละชั่วโมงห น, นึ่งแค่นี้สติอยู่ที่ไหนตั้งช้อยไว้ให้ก่อนสามตัวจิตวิญญาณใจดูๆมันก็เหมือนกันนโยมแต่มันไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องคนละเรื่องเลย ภามว่าสติมันอยู่ที่ไหนกันถ้าตั้งออกมาสามตัวเนี่ยอยู่ที่จิตหรืออยู่ที่วิญญาณหรืออยู่ที่ใจอ้าวตอบอีกทีอยู่ที่ใจอยู่ที่วิญญาณมีปะเดี๋ยวอ้าวเราก็ต้องมารู้ไอ้จิตมันยังไงใจมันยังไงวิญญาณเป็นยังไง จิตเลยจิตมันคือตัวรู้มันคือธาตุรู้ที่อยู่ในตัวเรานี่แหละที่เราอ่าคนไหนเห็นรูปเห็นนามแล้วก็ไอ้นาตัวนี้แหละเป็นจิตของเราและเห็นรูปเห็นนามถ้าใครเห็นรูปเห็นนามเดินไปก็เห็นอยู่สองอย่างนี่แหละโยมจะให้มันเหลืออย่างเดียวก็เหลือไม่ได้เดินไปมันก็สองอย่างเนี่ยเดินไปแต่ถ้าเราไปแยกแยะมันก็จะมากขึ้นไป ทำไมอยากไม่ยย่อะไรก็เห็นอยู่สองอย่างเนี่ยเดินไปก็เห็นอยู่สองอย่างเนี่ยเดินเดินไปเดินมาจะให้เหลืออย่างเดียวก็ไม่ได้จมกรูลนบนานไม่แหละเห็นจิตตัวนี้นะเปียบเสมือนเปียบไปเลย <c oughs> ต้องเรียอุปมาอุปไมยจิตเปียบเสมือนกว่า เป็นบ้าของความรู้หรือเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจิตนี่เป็นเจ้าของบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านอเจ้าของบ้านก็ต้องมีบ้านอยู่นี่ใช่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งจิตนี่เขามีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนั้นมีประตูหกหกบาน มีจิตก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมีประตูหกบานก็พอดีแล้วจิตมันมีลูกหกตัวไม่ลูกหกคนก็เลยสั่งให้ลูกไปอยู่ที่ประตูคนละบานเออเองไปอยู่ประตูนึงนะเองไปอยู่ประตูวาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนใครเข้าใครออกให้รู้นะเข้าใจไหม เข้าใจครับมาไอตัวที่หนึ่งไปอยู่ประตูตาให้ชื่อว่าประตูตาเลยไอหนึ่งไปอยู่ประตูตานะจ้ามาใครเข้าใครออกให้เห็นนะตลอดเลยนะจ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปไหนนะมอบให้เลยไปอยู่ตรงนั้น คนเดียวเลยให้เป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นเลยเขาก็เรียกว่าจากขุนซียางความเป็นใหญ่ให้มันเป็นใหญ่อยู่ได้ น, นะล่ะใครอย่าไปแย้มกับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนกับมันปล่อยหน้าที่เขาเลยรับหน้าที่ไปเลยคนเดียวใครเข้าใครออกประตูนี้เจ้าให้รู้นะไอ้ตัวนี้เขาไปอยู่ที่ตา ไอ้คนที่สองก็ไปอยู่ที่หูไอ้ลูกคนที่สามก็ให้ไปอยู่ที่ประตูจมูกไอ้คนที่สี่ก็ไปอยู่ประตูลิ้นไอ้คนที่ห้าก็ไปอยู่ประตูกายไอ้คนที่หกก็ไปอยู่ประตูใจอ้าวจากลูกไป้าประตูกันหมดแล้วหประตูประตูใครประตูมันด้อมอบให้เลย ไอ้ความเป็นใหญ่ไปแล้วอยไปอยู่ที่ประตูไอ้ตัวที่ไปอยู่ประตูตาอะไรเข้ามันก็เห็นอะไรออกก็เห็นอะไรเข้าตาก็เห็นเห็นหมดฉะนั้นเราลืมตาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้ลูกคนที่หนึ่งเนเห็นหมดอะไรเข้าไปทางหูไอ้ลูกคนที่สอ ง, อสองเห็นหมด มันไปประจำอยู่มันไปรู้อยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีอะไรข้าอ่ามันก็ไม่เห็นนะทีถ้าข้าว่ะเห็นถ้าไม่ข้าไม่เห็นถ้าข้าเห็นเพราะมันคอยดูถ้าเข้าจะเห็นไม่ข้าวไม่เห็นมันทำงานดีดีนึกไปถึงประตูอีกประตูหนึ่งโยม ปะตูวเวไอ้นี่ก็เก่งมั้ะไงท่านโยมใครเข้าเนี่ยมันก็ติ้งต้องใครออกมันก็ติ้งต้องเก่งถ้าไม่มีใครเข้ามันก็เฉยมีคนอยู่ข้างหลังมันก็เฉยถ้าคนเข้ามาอะไรมันก็ติงต้องคนออกมาอะไรมันก็ติงต้องเอ้ยนี่ก็เก่งเอ้ ถาเราไปยืนอยู่ตรงใกล้เซเว่นเอเลเว่นนี่เก็เห็นนมันติงตองติงตองติ้งตองเหมือนกันอ้าวพูดถึงประตูไว้นี่สิประตูกายเอาประตูกายมาพูดกันประตูประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจหกประตู ไอ้พวกเนี่ยมันรู้มันรู้เฉพาะรู้เป็นบ่อมรู้เป็นที่ไม่ไปรู้เรื่อยเปื่าไอ้ลูกหกตัวเนี่ยที่ที่มากมันสั่งให้ไปอยู่เนี่ยไอ้ตัวหกตัวเนี่ยที่มันรู้อยู่หกประตูเนี่ยไอ้นี่แหละเขาเรียกมันรู้แบบวิญญาณ น, นี่ฉะนั้นเคาว่าวิญญาณกับคำว่าจิตมันคนละตัวแล้ว จิตคือมากของมันไอ้วิญญาณี่ลูกของมันมันสั่งให้ไปอยู่ตามประตูไอ้ลูกที่ไปอยู่ประตูหูก็ดูอยู่ที่เสียงแค่นั้นเองเสียงข้าวเสียงออกหูแล้วมันจะรู้หมดอย่างอื่นมันไม่สนใจมันรับหน้าที่นี้หน้าที่เดียวไอ้ประตูตามันก็ดูแต่รูปภาพต่างๆภาพอะไรเข้าตามันรู้หมดพ้าปิดตามาแล้วก็จบ ถ้าลืมมาแล้วก็จะมันรู้เลยล่ะสามคนไอประตูกายล่ะไอประตูกายมันก็รู้หนาวพัดมาถูกมันมันก็รู้ร้อนพัดมาถูกมันมันก็รู้ยุงมากัดก็รู้ลูกมะพ้าตกมาใส่หัวก็รู้นั่งอยู่ น, นานๆก็รู้มันเมื่อยอืม ไอประตูใจนี่ก็ให้รู้ทั้งข้างนอกข้างในได้นะเออมามันให้ให้ความสามารถมาให้รู้อยู่ทั่วตัวเลยนะไอประตูกายเนี่ยรู้ไปเลยทั่วตัวเลยรู้ข้างนอกรู้ข้างในด้วยแต่ข้างนอกบางอย่างมันไม่ค่อยจะรู้ก็ช่างมันผมขนแล้วฟันหนังเนี่ยมันไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ กระดีมันการนโยมมันถึงโกนหัวได้ตัดผมได้เออตัดเล็บได้อะไรผมมันไม่่อยจะรู้ตรงนี้ถึงขนถอนขนอะไรอา้าถอนก็เจ็บไปถูกผิวอกายมันก็ไปรู้มันไปรู้ที่อื่นหรอกรู้ที่กายรู้ข้างนอกรู้ข้างใน รู้สึกข้างนอกรู้สึกข้างในปวดท้องยังรู้เลยวันเนี้ยปวดท้องไปเล่นสมหมอมาเมเา ย, ย็ดนี้เยอะเรียบร้อยเลยเนื้ายบางคนตะกตีก้กบอกว่าสติอยู่ที่กายหิดถ้าสติมันอยู่ที่กายแล้วก็โยม เราไม่ต้องมาฝึกกันหรอก็อมันมีกายอยู่แล้วก็มีสติอยู่แล้วนะเกิดมาก็มีสติเลยมีกายไม่ต้องมาฝึกมหมาหมูมันก็มีกายมันก็มีสติกันทั้งนั้นดิแตแดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ผิดอีกคนบอกสติอยู่ที่ความรู้สึกรู้สึกที่กายด้วยนะอือฟังแล้วมันก็ยังผิดอยู่หมามันก็มีความรู้สึกนิยม มันก็มีกายมีกความรู้สึกเมือนกันนะโยมเห็นมานั่งเกาคิรยันอย้างมันแกกแกมันก็เกาที่ใจมันก็รู้สึกที่ใจนั่งเกาอย่ย่างไั้นแะๆกๆเอมันก็มีสติที่นั่นน่ะนั่นมันปฏิบัติทมอยู่ที่นั่นน่ะถ้าอย่างของโยมว่าถูกหมาก็มีหมดแลยดิหมาแมวหมูเป็ดันคงจะไม่ใช่ ผมยําไม่ได้เออแต่ว่ากายเนี่ยมันสามารถเขาให้มันไปรู้ตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาจ่ายมาเนี่ยมันไปรู้อยู่ที่กายรู้เลยลนะ่ะอะไรกระทบกายอะไรสัมผัสกายกายเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยมันรู้เลยรู้ไปหมดเลยรู้ แต่การรู้ที่ใจเนี่ยใจยมันรู้นะเขาเรียกว่าใจาวิญญาณหรือวิญญาณใจมันรู้เอาใจอ่ะใจรู้ที่ไหนใจก็ไปรู้ที่อะไรเข้าออกอะไรเข้ามันก็รู้อะไรออกมันก็รู้ส่วนมากที่มันเข้าออกมันก็มีอยู่แค่ ความคิดนดยโยมความคิดกับความนึกมีสองตัวไม่นึกก็คิดไม่คิดก็นึกมันออกเข้าคิดเราสวดว่าวิตกวิจารน่ระโยมทำบางอย่างมีวิตกทำบางอย่างมีวิจารทำบางอย่างมีทั้งวิตกวิจารนั่นละรู้ได้ยังไงนะ่ะเนี่ยไอเด็กตัวที่หกเนี่ยที่เขาให้ไปประจําอยู่ที่ประตูใจเนี่ยมันรู้ วิตกเข้ามามันรู้วิจารเข้ามามันรู้เลยถ้าไม่เข้ามาน่ะไม่รู้ <c oughs> นอกจากไม่รู้ยังไม่เห็นตัวมันอีกนะไอ้ใจเนี่ยไม่เหมือนกายมันยังเห็นอยู่แต่ใจไม่เห็นเลยเราเห็นใจได้ตรงไหนหรือไม่โยมเห็นได้ตรงไหนอัตตาพิโยมธงที่อะไรมันเข้าไปที่ใจ ถ้าความคิดมันเข้าไปในใจเระถึงจะเห็นมันเพราะไม่เข้าไม่เห็นโยมไม่ต้องโยมนะอาตมานี่แหละเคยเดินไปที่ไอ้ห้างต่างๆที่มันมีกระจกใสๆอ่ะเดินเดินไปปองเอา้าเฮ้ยกระจกไอ้สันดานสายแกวเลยมองไม่เห็นเดินชนเอดอดื้อเลยมันไม่เห็นเดินชนเลย เออบางแห่งก็ดีนะยมเขารู้ว่าคนเดินไม่เห็นก็เอาสติ๊กเกอร์อะไรไปติดไว้เออพอเราเห็นสติ๊กเกอร์เราก็รู้เลยไอ้นี่ยมีกระจก <c oughs> ไม่ชนหน้านอนเลยเห็นสติ๊กเกอร์เห็นอะไรที่ก็ติดไว้ถ้าไม่เห็นแล้วก็ชนป้องเลยมันไม่เห็นเนี่ใจเรามันก็ไม่เห็นอย่างนั้นนะโยมพอความคิดเข้าไปมันถึงไดเห็นเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้กระจก ใ, ใสเนี่ยเห็นยากทำให้อาสติกเกอร์ไปติดไว้ก็ไม่เห็นมันเห็นเพราะสติกเกอร์ไปติดไว้ ไ, กก ไ, ไ, วไอ้ใจนี่แล้วก็เห็นมันก็เพราะคิดเนะี่ยความคิดก็ไปนะถึงใจเห็นมันเหมือนกันเลยคิดดีก็เห็นดีคิดไม่ดีก็เห็นไม่ดีคิดดีดคิด ส, สวยก็เออสวย มันเอาสติ๊กเกอไปติดไว้ที่กระจกอย่างสวยเลยเอารูปแมวรูปดอกไม้โอ้โหกระจกบานนี้สวยจังเลยอีกอันโอ้โหดูไม่จืดเลยกระจกบานนะั้นโคดสะกะปรกเลยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้มือคนขิมข้มุ่งขี้มู่โอ้โยย้ายกันไปหมดโอโ้กระจกบานนี้โคดสะกะปรกเลยโอโ้กระจกบานนี้สวย แต่กระจกมันพูดได้มันก็บอกไม่ใช่ที่สวยไม่ใช่กูกูก็ะจกเฉยๆใสายนี่แหละมึงเอามาติดกันเองนะแล้วก็บอกว่ากูสวยไอ้คนสั่งที่มูกไปที่กระจกมึงอ็มาสั่งใส่กูแล้วก็บอกว่ากูสกปรกกูแหม็นไอ้จริงใจคนมันไม่ไม่ดีไม่สวยไม่งานไม่สกปรกหรอกมันอยู่ที่ความคิดคิดดีก็เออคนนี้เขาใจดีนะคนนี้ใจพระ ไอ้ น, นี่คิดไม่ดีไอ้อ น, นี่ใจร้ายไอ้ น, นี่ใจจืดไอ้ น, นี่ใจดำไอ้ น, นี่ใจสปกปรกไอ้ น, นี่ใจโหดเนี่ยไปโทษใจหมดเลยใจบอกกูลับและเลยกูอยู่เฉยๆมึงคิดเข้ามาเองแล้วก็เป็นอย่างงน้นอย่างนี้เนี่ยจะถ้าเราฝึกสติเราจะแยกได้จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแยกได้แยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นรูปนี่เขาเรียกว่าเห็นโดย สภาวะธรรมหรือว่าเห็นโดยปรมรธรรมมันแยกได้การแยกได้เนี่ยทำให้กำจัดกิลงกิเลสได้จะกำจัดตรงไหนก่อนอะไรเป็นยังไงมันเป็นยังไงไปตามเรื่องของปฏิสมมุบบาทเช่นยังงั้น <c oughs> <c oughs> อ้าวสมมติว่าลูกหกคนมันไปอยู่ ที่ประตูหกประตูแต่และคนมันก็กินอาหารไม่เหมือนกันเนาะไอ้ไอ้ตามันก็กินอาหารเป็นรูปภาพไอ้หูก็กินอาหารเป็นเสียงไอ้จมูกก็กินอาหารเป็นกลิ่นอาหารไขอาหารมันกินก็้ไปฮะเหมือนกับเรามี เหมือนก็เรามีบ้านอยู่หกบ้านมีลูกหกคนลูกคนที่หนึ่งกินปลาชอบกินปลาลูกคนที่สองชอบกินหมูลูกคนที่สามชอบกินไก่ถ้าเราไปเยี่ยมเยี่ยมลูกคนที่หนึ่งมันกินปลาเราก็ต้องกินปลากับมันถ้าเราอยากกินหมูไปหาลูกบ้านที่มันกินหมูก็ไปกินหมูกับมันถ้าอยากกินไก่นู่น ไปบ้านลูกที่มันกินไก่อยู่มันกินทั้งวันเราไปก็ไปกินไก่ก็มัเราไปได้อยากจะไปกินอะไรก็ไปบ้านลูกคนนั้นก็เหมือนใจของเรานี่แหละจิตของเราเนี่แหละถ้าอยากจะกินความคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ก็ไปที่บ้านของใจประตูใจไอ้ใจมันคิดอย่างเดียวแล้วก็ไปกินความคิดเออ อยากฝึกสติเว้ยก็ออกจากบ้านนั้นบ้านใจมาบ้านใจกายมันกินความรู้สึกเราก็มากินความรู้สึกกับมันถ้าเราไม่มาบ้านกายกายหายไปไหมไม่หายมันยังอยู่แล้วความรู้สึกมีไหมมีมีกายมีความรู้สึกด้วยถ้าเราไม่มานะ เมื่เราไม่ไปบ้านลูกที่มันกินปลาทูเนี่ยถ้าเราไม่ไปแล้วลูกมันตายไ้มไม่ตายแล้วมันกินปลาทูอยู่มันกินมันก็กินปลาทูอยู่นั่นแหะอยู่ที่บ้านมันแต่เราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปกินกับมันเรามาอยู่บ้านลูกที่กินไก่แล้วก็กินไก่อยู่กับลูกถ้าเราอยากกินปลาทูก็ต้องไปบ้านลูกที่กินปลาทูแล้กินปลาทูกับเขาเนี่ยเพราะนั้นใจนี่มันไปได้ทุกบ้าน ไอ้จิตเนี่ยมันไปได้ทุกบ้านแต่อวิญญาณเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันประจาอยู่บ่องใครบ่องมันก็ให้มันเฝ้าอยู่คนละประตูมันก็รู้อยู่ที่ประตูของมันอย่างเดียวเนี่ยคือคันการรู้แบบวิญญาณถามว่าสติอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใช่ไหมตอบ <c oughs> บางันรู้เรื่องั้มเนี่ยไม่ตอบเลยโยมสติอยู่ที่จิตใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่จิตส ต, ติไม่ได้อยู่ที่จิตแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่วิญญาณด้วยอยู่ที่ใจใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ใจมันก็ไอ้ลูกคนหนึ่งอะ่ะคนที่หกให้ไปประจําอยู่ที่ประตูหนึ่ง มันมีหน้าที่รู้ความนึกกับความคิดเทรานั้นเองคนเราก่อนที่จะคิดเนี่ยมันจะนึกก่อนนะโยมนึกเรื่องไหนมันก็คิดเรื่องนั้นแหอะ ม, มันไม่อยู่แค่นี้นะมันหลอดไฟในเลย ม, มีทั้งหลอดแล้วมีสตาร์เตอร์ก่อนที่ไฟมันจะจ่ายมาที่หลอดเนี่ยมันมาที่สตาร์เตอร์ก่อนนะ สตาร์ เ, รเล็กเนี่ยนมองดูเลวย น, นะพอมันจ่ายไปที่หลอดปุ๊บหลอดติดปุ๊บที่สตาร์เตอร์ไม่ต้องทํางานแล้วแกะออกก็ได้ไฟไม่ดับหรอกแกะออกเลยไฟไม่ดับหรอกแต่อย่าปิดไฟนะถ้าปิดไฟถะเปิดอีกไม่ติดแล้วต้องให้สตาร์เตอร์จ่ายไปให้ก่อนต้องใส่เข้าไปอีกสตาร์เตอร์ แล้วพอสตาร์เตอร์มันจ่ายไปให้พอติดปุ๊บอันี้สตาร์เตอร์ก็ไม่ทํางานแล้วเอาออกแล้วก็ได้แต่เราไม่ต้องไป เ, เอาเข้าเอาออกติดไว้อย่างนั้นนะไอความคิดก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพุทธเจ้าท่านอธิบายว่าความคิดเปรียบเสมือนปีกนกไอไอไอความนึกเปรียบเสมือนขาหนก นกเนี่ยมันจะบินได้เนี่ยมันไม่ปีกอย่างเดียวมันก็บินไม่ได้นะมันต้องมีขาเพราะก่อนจะบินเนี่ยมันจะใช้ขากระโดดโผลขึ้นไปพอขากระโดดโผลขึ้นไปปุ๊บปีกมันถึงจะบินต่อไปได้รับช่วงทะนั้นใครจับนกได้ไม่อยากให้นกบินหนีไปไหนไม่ต้องไปผูกปีกมันหรอกแค่ผูกขาไว้มันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะมันต้องใช้ขากรอน มันถึงจะใช้ปีกบินไปได้อถ้ามัดขาไว้แล้วก็เหมือนก็ว่าเราตัดวิตกไปแล้ววิจารก็ไม่สามารถที่วิจารณได้อือย่างเรามองเห็นความคิดเนี่ยบางทีเห็นมันทําท่าทําท่าจะคิดแค่เห็นมันนึกขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วมันก็ล่วงในกระทันหันวิตกแล้วเ อ, อบางครั้งมัน วิตกขึ้นมาแล้วก็พอวิจารเรื่องอะไรไปวิจาร์ไปเลื่อยคิดไปเลี่ยแต่เราตัดตัดวิตกได้แล้วถ้าเราตัดวิตกได้แล้ววิจาร์มันไม่หายนะมันยังความคิดมันไม่หายนะมันยังคิดไปพอมันหยุดคิดตรวนั้นล่ะตอนนี้มันคิดอีกไม่ได้แล้เพราะวิตกเราตัดไปแล้วเหมือนก็นกมันบินอยู่กลางอากาศเนี่ยโยม พยมเหาะไปทันนกพอเหาะไปทันแล้วก็เอาเชือกไปผูกขามันเลยผูกขาให้ติดเลยถามว่า น, นกยังบินอยู่ไหมมันก็ยังบินอยู่แต่มึงอย่าลงนะถ้ามึงลงไปทิ้งมาไหลตอนนัะตอนนั้นแหละมันขึ้นอีกไม่ได้แล้วเพราะมันต้องใช้ขาแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ลงเมื่อไหร่ก็บินไปฮะบินไปเรื่อยเลยทั้งวันทั้งคืนบินได้ถึงรักขามันไว้ แต่ถ้ามันลั่นลงไปที่ไหนก็ลั่นได้ลงได้แต่ขึ้นอีกไม่ได้แล้วเพราะมันต้องใช้ขา <c oughs> ความคิดของเราเหมือนกันนะคิดปะพอหยุดคิดแล้วมันคิดอีกก็แสดงว่าขามันดีอยู่ตัววิตตบมันดีอยู่เรายังตัดอะไรมันไม่ได้เออถ้าเราตัดได้แล้วก็มันหยุดคิดแล้วก็หยุดไปเลยนอกจากเราจะวิตตกขึ้นมาอีกไอ้สิ่งเราเนี่ยไอ้ตัวใจเนี่ยไอ้ตัวเด็กคนที่หกเนี่ย มันเห็นเห็นอยู่ที่นั้นถ้าเราเป็นมากเราไปบ้านไอ้ใจมันเนี่ยไอ้ใจมันกินความคิดใช่ไหมล้วก็กินกับมันถ้าเราอยากจะกินความรู้สึกไปบ้านใครเลยโยมไปบ้านไอ้ลูกที่มันอยู่ที่กายไอ้นั่นกินอยู่ในความรู้สึกพอเอาใจวิ่งมาที่กายก็มากินความรู้สึกกับลูก ลกมันกินความรู้สึกอยู่พออาใจวิ่งไปที่เออพ อ, อจิตอาจิตแล้วกันจะพูดใจเดี๋ยวมันจะสับสนกันจะยากพูดซะนะถ้าเราไม่ยากอย่างนี้เราจะเรียกใจไปเลยแต่ท น, นี้เรามาอธิบายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันจิตแล้วกันเอาจิตวิ่งไปที่ใจก็ไปรู้ความคิดที่ใจเอาจิตวิ่งมาที่ใจ ก็มารู้ความรู้สึกที่ใจถ้าเอาจิตไปอยู่ที่ใจมันก็รู้ความคิดที่ใจแต่ความรู้สึกที่ใายก็ยังอยู่ยังมีอยู่อยู่ตลอดเลยเพราะเรามีกายอยู่ตลอดมันมีความสุขแต่เราไม่รู้มันเราไม่รู้มันเพราะเราเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราไปที่ไอเซเว่นีลว่น ร้านนี้แล้วก็ไปได้ยินติ้งตองติ้งตองอยู่ที่ประตูร้านนี้ถ้าเราไปเซเว่นอีเวอีกร้านหนึ่งร้านนู้นเราก็ไปเห็นติ้งตองติ้งตองอยู่ที่นู่นนะคนเข้าก็ติ้งตองคนออกก็ติ้งตองระหว่างที่เราอยู่ที่ร้านนู้นได้ยินติ้งตองอยู่ที่ร้านนู้นถามว่าร้านนี้เขาปิดหรือเปล่าไม่ปิดขายหรือเปล่าขา ย, ขายคนเข้าคนออกหรือเปล่า คนข้าวคนออกอยู่แล้วมันติ้งต่องติ้งต่องอยู่ป่ะติ้งต่องอยู่แล้วเราทําไมไม่รู้อะ่ะอ้าวเระฉันไปอยู่ร้านนู่นฉันก็รู้อยู่ที่ร้านนู่นไม่มาอยู่ร้านนี้แต่ร้านนี้ก็ยังติ้งต่องอยู่แต่ฉันไม่รู้แต่ฉันออกจากร้านนู้นมาร้านนี้ฉันก็เห็นติ้งต่องที่ร้านนี้แหละคนข้าวคนออกก็ติ้งต่องแต่ร้านนู่นจะไม่เห็นนะไอ้ติ้งต่องมันอยู่ประจําร้านของมันมันไม่ไปไหนหรอกมีจิตของเราเป็นอย่างนี้ มันไปได้ทั่วจะไปไหนก็ได้เราถึงพยายามมาฝึกอยู่งี้ไงพอมันไปที่ที่บ้านใจมันก็ไปอยู่กับความคิดดูความคิดเฮ้ยเฮ้ยเย อ, อยากฝึกสติไว้ต้องไปไหนไปบ้านไอ้กายก็ออกมาจากร้านใจบ้านใจมาอยู่เอ้ ออกจากบ้านใจมาอยู่บ้านจาจเออบ้านใจมันกินความรู้สึกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยนั่งกินนอนกินอยู่เดินกักินนอนกักินนั่งก็กินมันกินอยู่ตลอดเวลาแล้วความรู้สึกทำมาแม่มาเยี่ยมลูกคนนี้ก็กินความรู้สึกมาไปบ้านไหนก็ไปกินที้นั่นแหละมาไปบ้านหูก็ไปกินเสียงมาไปบ้านตมูก็กินกิน ถ้ามามาบ้านใจก็กินความรู้สึกถ้ามาไปบ้านใจก็กินความคิดระหว่างมาที่ไปบ้านใจกินความคิดถามว่ากายหายไปไหมไม่หายรู้สึกอยู่ไหมรู้สึกก็กายก็มีความรู้สึกก็มีมันทำไมไม่เป็นสติล่ะที่ไม่เป็นสติเพราะว่ามา่มันไม่ได้ไปหาจานที่มันเป็นรติ สติก็คือมามันนะมันต้องไปหาด้วยแม่จะไปหากายด้วยแล้วก็ไปรู้พร้อมกับกายกายมันก็รู้นะรู้ตัวมันรู้ความรู้สึกรู้อะไรกายมันรู้เพราะมันเป็นวิญญาณมันก็รู้ของมันรู้ในบ่องของมันน่ะแต่มันไม่เป็นสติที่มันเป็นสติเพราะว่าแม่ไปหาแล้วแม่ก็ไปกินกินความรู้สึกของกายด้วย แม่ที่ไปกินความรู้สึกกับกายด้วยนี่แหละมันจะเกิดสติไอ้กายมันลูกวามรู้สึกของมันเองมันไม่เป็นสติหรอกต้องแม่แม่มันวิ่งไปหามันเลื่อนไปหามันเดินไปหาที่บ้านของกายแล้วก็ไปกินความรู้สึกกับกายด้วยแม่ไปกินกับลูกด้วยระหว่างที่ลูกกินมันไม่ใช่สติ แต่ที่มากินน่ะคือสติถ้ามา่มันออกจากบ้านกายไปบ้านอื่นก็ก็อดกินไปมันก็ไปกินสติฉะนั้นสติไม่ได้อยู่ที่ลูกคือวิญญาณและไม่ได้อยู่ที่แม่คือจิตแต่มันอยู่ที่แม่ไปหาลูกนั่นแหละลูกกิน ความรู้สึกไม่ใช่สติแต่มา ก, กินความรู้สึกนั่นแหละคือสติกินไปกินไปกินไปก็่กินเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสติก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้นี่ร่างวาสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตก็ไม่ใช่อยู่ที่วิญญาณก็ไม่ใช่อยู่ที่ใจก็ไม่ใช่ใจมันลูกคนที่หก ความันลึกได้ครับสติมันลึกได้ไไร้อยในสติแปลว่าความมันลึกได้เดี๋ยวจะพูดอีกทีไอ้อย่างนั้นมันถามว่ามันอยู่ที่ไหนก่อนไม่ถามถามว่ามันมีความสามารถยังไงเออมันมีความสามารถยังไงแล้วลึกได้ครับถูกเอาไปร้อยนี่ถามว่ามันอยู่ที่ไหนต้องตอบบอมอยู่ของมันเราต้องมองหามันอยู่ที่ไหนชี้ให้ดูสามบอม อธิบายประสาบบองนี่อยู่ไม่ได้เลยแต่มันก็มาอยู่ที่บองจิตที่มาเยี่ยมบองไอ้กายะวิญญาณ น, นี่แหละมาเยี่ยมลูกนี่แหละแล้วก็มากินความรู้สึกกับลูกเนี่ยนี่แหละพอจิตมันได้กินความรู้สึกกับลูกมันนะนี่แหละมันจะเกิดสติตรงนี้เาะนั้นที่โยมทำอยู่อย่างเนี้ยโยมถึงเอาจิตเนี่ยมาใส่ เอามาใส่เอามาวางเอามาตั้งไว้ที่ายคือเอาม า, อามาเยี่ยมลูกคนนี้นะ่ะแล้วแม่จะได้กินนี่ยหละมันจะเกิดสติถ้ายอมไปที่บ้านอื่นเพราะว่าลูกมันไปไหนไม่ได้แล้วมันให้มันรับผิดชอบให้มันเป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นให้มันรู้อยู่ตรงนั้นมันไม่ไปเที่ยวเทพไปไหนแต่จิตมันไปได้จะไปบ้านไหนก็ได้เดี๋ยวโยมก็คิดเดี๋ยวโยมก็รู้สึก เดยโยมก็ไปฟังเสียงนูน่นนั่นเสียแลกว่าโยมไปตามบ้านต่างๆแต่เวลาเราฝึกสติเนี่ยเราพยายามให้ใจเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของลูกที่ระหว่าบกายนี่<ม>เพื่อจะมากินอาหารร่วมกับลูกแล้วเราการในกินอาหารของลูกเนี่ยจะเกิดสติเท่านี้เองไม่ต้องทําอะไรมากเลยให้มากินจริงกินกิ น, ก น, ก น, กนเขไปเถอะตอนนั้นแหละ พระเจ้บาบอกถ้ามานั่งกินอยู่กับลูกเนี่ยได้เจ็ดวันติดต่อกันสมเร็จเป็นพระรหันต์เลยเนี่ยง่ายๆไม่ต้องยากไม่ต้องยากกิลง์กิเลสตายหมดเปรียบจะเหมือนอะไรไหมจะเปียบให้ดูอืมเปียบเสมือนว่าร่างกายเนี่ยเป็นเตาไฟนะไอ้ร่างกายเนี่ยเป็นเตาไฟ จนไอ้จิตเนี่ยเป็นกา Nam กา้ํามีน้ําเต็มเลยไอ้น้ําก็เปรียบเสือบเป็นกินเลสก็แล้วกันไอน้กา Nam นี่มีกิเลสเต็มเลยถ้าเอากาน้ํามาตั้งไว้ที่ไฟเป็นไงยโยมน้ําจะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นยอมไม่เชื่อใช่ไหมกล <c oughs> ับไปบ้าน เราเอาตาน้ําไปตั้งไว้ที่ไฟนะโยมก็ยืนดูก็ได้มันจะร้อนขึ้นไหมใช่ไหมยิ่งตั้งน้ํายิ่งร้อนยิ่งตั้งน้ํายิ่งร้อนแล้วถ้าหากว่ามีกิเลสมันอยู่ในน้ำนะยิ่งร้อนมันก็ยิ่งตายดันั้นความพยายามของโยมความเพียรของโยมที่เอาพยายามเอาน้ํามาตั้งที่ไฟให้ได้แล้วให้มันอยู่ให้ได้อยู่กับเตาให้ได้เนี่ยเนี่ยเป็นความพยายามชนิดหนึ่งนะ ที่เอาก า, าน้ำมาตั้งไว้ที่เตาให้น้ำมันเดือดแล้วให้กิเลสมันตายสมมติว่ากิเลสมันอยู่ในน้ำทั้งหมดนะฉะนั้นคามเพียรเน่ยท่านเรียกว่าอาตาปีเป็นความเพียรที่เผากิเลสให้ตายได้ไม่ต้องทําอะไรเลยเอาก า, าน้ำมาตั้งไว้ที่ไฟก็เรียบร้อยแล้วยิ่งตั้งนานมันยิ่งเดือดยิ่งตั้งนานยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งร้อน พระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งไว้อย่างเนี้ยติดต่อกันถึงเจ็ดวันนะความเดือดที่มันเกิดขึ้นจะมีอุณหภูมิสูงสามารถฆ่ากิเลตในกาตายได้เลยหมดเลยแต่ที่เราทำเนี่ยเราตั้งไว้แป๊บเดียวอะประเดี๋ยวก็ยกออกแล้วเพราะว่าเพราะว่า เราอยู่ในบ้านที่มีลูกหลายคนมันไปเยี่ยมลูกคนนู้นคนนี้อยู่เรื่อยมันไม่ค่อยมาอยู่กับไอ้นคนนี้เท่าไหรนะ่นักส่วนมากไปเยี่ยมอยู่ที่ไอ้ไอ้ไอบ้านใจ น, นะนัน่นแหะคิดนู่นคิดนี่ชอบเนี่ยตกหลงว่าชีวิตของเราเนี่ยมีลูกหกคนเนี่ยมันไปเยี่ยมทุกบ้านแหละไปเยี่ยมอยู่เรื่อยแต่ที่เรามาเนี่ยมาฝึกเนี่ย เราจะมาฝึกจริงๆจังๆให้ลูกม่ให้ให้แม่เนี่ยมาอยู่ไอ้ไอ้บ้านใจเนี่ยให้มากที่สุดเลยพยายามเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เหลียวแลมันจะไม่สนใจมันจะไอ้อีกห้าบ้านนันะจะพยายามให้เวลาทั้งหมดที่อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่บ้านายอย่างเดียวอยู่ที่ให้มากที่สุด มันก็เอากา้น้ำมาตั้งไว้ที่เตานี่แหละให้มากที่สุดให้มาเพื่อให้มันร้อนเยอะๆอยากให้กิเลสมันตายถ้าเราเอาออกพอเอากาน้ําออกปุ๊บมันเป็นยังไงโยมไปดูที่บ้านดิ้น้ําที่ร้อนร้อนอยู่ดีเนี่ยพอเอาออกวางมันก็ค่อยๆเซา มันก็ค่อยเย็นเย็นเย็นเย็นพอวางไว้นานเย็นอย่างเก่าอีก <im> พอมีที่นู่นเขาปฏิบัติทำไปเว้ยเจ็ดวันเอาหน้าดูเลยเจ็ดวันเอาหน้าดูเลยเจ็ดวันมามันกับกานะมันถูกตั้งตาไว้นานร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อพอหมดเจ็ดวันจับบ้านแล้วทําไงอะ่ะตั้งมากไม่ตั้งมากไอ้นิ่ๆแน่อนอนมันก็เย็นอีกแบบนี้โยมทำสัก รู้เจ้าบอกว่าถ้าทําอย่างนี้แต่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ก็เอาเจ็ดเดือนสำเ ร, เร็จตายกิเลสตายไอ้จาน้ำนั่นนะ่ะไอ้กิเลสที่อยู่ในนั้นอนะ่ะถ้าทําอย่างนี้อย่างโคตรแย่เลยอาเจ็ดปีกว่าจะเดือดเอาเข้าเอาออกเอาเข้าเอาออกไม่เดือดรึยี่่ง ถ้าโคตรยากยิ่งกว่านี้อีกนะก็อย่างแล้วนี่แหละก็ไม่รู้จะเท่าไหร่แม่ฉะนั้นจานทําเนี่ยหนึ่งต้องรู้จักว่าเอาการาน้ําไปวางที่ที่เตาด้วยสองไอ้สองนี่ต้องหนักๆเลยสองมันตั้งแค่ไว้เรื่อยๆถ้ามันจะเอาออกก็อย่าให้เอาออกนาน พยายามเอาตั้งอยู่เรื่อยๆออกมั่งตั้งมั่งออกมั่งตั้งมั่งออกมั่งตั้งมั่งอือออกครึ่งวันตั้งครึ่งวันออกครึ่งวันตั้งครึ่งวันออกวันหนึ่งตั้งวันนึงโอ้ยมันก็อตอนตั้งอะมันร้อนตอนออกมันเย็นเดี๋ยวร้อนได้เย็นเดี๋ยวร้อนได้เย็นแล้วเมื่อไหร่มันจะตายนี่แหละที่เราทําท่านถึงบอกว่าต้องใช้ความเพียรความเพียรนี่ก็ตั้งตัพ่อเขาให้มาอะไรหรือเปล่า เขาให้มาว่าอ้างไม่ได้นะต้องไปขี้ก็ต้องเอาออกต้องไปกินต้องไปอาบน้ำต้องไปซักผ้าต้องไปเลี้ยงลูกโอ้ยมันหลายต้องนะมันจะไม่ได้ตั้งน้ำอยู่ไงเขาก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ไปอาบน้ำก็ทําด้วยได้ตั้งไปเลยไปกินข้าวก็ตั้งน้ำกรกาได้หมายถึงว่า เราไปทํางานที่ไหนเราก็รู้สึกได้อยู่กับกลายได้การอยู่กับกล้ายได้ก็มันก็เอากาน้ํามาตั้งไว้กับที่เตาได้อ่าไม่ได้แล้วนะถทำอะไรก็ต้มไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะนี่เขาให้เราอย่างงี้เลยให้เรามีโอกาสได้ทําติดต่อกัน ให้ต้มน้ํากิเลสให้มันตายให้โอกาสเลยอ้างไม่ได้เลยว่าทํานู้นทํานี้ไม่ได้เลยเนี่ยค่ายโอกาสแล้วขนาดนี้แล้วครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ใช่ว่าจับควารู้สึกอยู่ที่ทางตรงกลมเด้อไม่ใช่จับความรู้สึกที่ยกไม้ยกมือเด้ไอ้นี่มันไหนรูปแบบนอกรูปแบบ น, านาั้นโยกก็ทําได้ ถ้าทำได้แต่ในลูกแบบนอกลูกแบบไม่ค่อยจ ะ, จะทำก็เหมือนว่าจะตั้งน้ำเขากิเลสมันตอนทำตอนนั้นก็เอากาออกเนี่ยมันถึงยากฉะนั้นพยมเห็นอย่างเงี้ยโยมจะเสียได้ถ้าทำมันก็ได้นะถ้าทำมันก็ได้คือถ้าต้มมันก็ร้อนนะแต่ถ้าทำมันก็ไม่ได้ มันไม่ใช่ไม่ได้อย่างเดียวนะไอความร้อนมันคายด้วยนะโยมก็ต้มเนี่ยมันจะบวกถ้าเอาออกมันก็จะลบถ้าต้มมันก็จะร้อนถ้าเอาออกมันก็จะเย็นไม่ใช่ต้มแล้วร้อนออกแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละสงอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่คายลงไปแลวไปก็ต้มใหม่ร้อนขึ้นมาอีกสี่สิบองศาพอเอาลงวางปุ๊บมันก็สี่สิบองศาอยู่อย่างนั้นนะ ต้มมาไหมันก็จะขึ้นเป็น50าสองศาไปขึ้นไปถึง80องศาแล้วถ้าเอาออกวางวางไว้สักวันสองวันสวันมันก็80องศาอยู่งั้นจังหวะจะไปต้มใหม่มันไม่ใช่เอาลงปุ๊บมันก็เริ่มเย็นทันทีเลยละยุแล้วแต่จะเอาไว้นานขนาดไหนเอาตั้งปุ๊บมันก็ร้อนทันทีงั้นมันก็ค่อยร้อนนี่นะเขาสมมตต้องทําความเพียรจริงเลย ต้องคิดเห็นเลยว่าอยากจะเผาอยากไอ้กาน้ำแนน้ำร้อนเนี่ยให้มันตายจริงๆทำยังไงนะโยมโยมก็นึกภาพเอาสิโยมจะมีเวลาตั้งกับเวลาออกให้มันเป็นยังไงอือให้ตั้งมากก็ออกแค่ตั้งกับออกเท่าๆกันนี่ก็มันก็ไม่รู้ยังไงแล้วเนี่ย อาจมาพูดไปก็เย็นอายตัวเองเลยออกไม่บอกจนเย็นเชื่อแล้วก็ไปตั้งอีกเนี่ยโอ า, ากันนานก็มาบอกโยมให้เห็นภาพพอเห็นภาพบอกความเทียนเราโอ้มันอยู่ในลักษณะนี้เองหละหละักะับจักมันก็โอ้อย่างนี้เองเดี๋ยวต้มเดี๋ยวออกเดี๋ยวต้มเดี๋ยวออกไม่ได้กินทักทีนี่แหละโยม อ, อย่างบงคนเขาบอกว่า ไปเก็บอารมณ์เลยนะคือก็ตั้งใจตบ ม, มันเลยทั้งวันทั้งคืนน่ๆเดี๋ยวที่ฮึดๆไปเก็บอารมณ์น่ะมันจะฮึดตอนไหนละ่ะเอาฮึดก็ได้ละก็พอหมดฮึดน่ะก็มันก็เย็ยนอีไอเป็นยังไงแต่มันว่ามันไม่ใช่ว่าต้องลําบากอย่างนี้ไปตลอดในโยมจะเล่าให้ฟังจะเปรียบเทียบให้ฟังการปฏิบัติธรรมโยมจะได้มี มีกำลังขึ้นหน่อยแล้วฝึกใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับขี่จักรยานขึ้นเขาฝึกใหม่ๆเนี่ยเหนื่อยต้องแบาบดต้องโอ้ยเหมือนเปียบเปียกจัรรกรยานขึ้นเขาพอฝึกไปได้สักระยะหนึ่งไปถึงบนเขาแล้วทางลาบโอ้แต่นี้ขี่สบายขีย่ไปสักพักหนึ่งไปถึงทางลงฝั่งกนันนู้นโอ้ย อันนี้ยิ่งโคตรสบายเลยจอลงไปหน่อยเนี่ยแค่ไม่ต้องถีบแม่นะมันไหลของมันไปเองเลยจุดดจุดจมาสบายอัตมา squeeze, เห็นคนกี่จักรยานกี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยกี่ขึ้นมาแต่ขาลงแค่ให้มันลงหน่อยเดียวแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องติดเครื่องมันไปก็มันเองตื้อตื้อตื้อมันขาลงมันง่ายแต่ขาขึ้นจะหนักหน่อย ลราฝึกนี่เหมื่อกันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ลาบไปเลยนะไม่ใช่ลําบากอย่างนี้ลาบไปเลยมันลําบากแค่ช่วงขาขึ้นนั้นเองโยมขืนขืนทำเลยขืนขืนขี่จกรยานขาขึ้นขึ้จนไปถึงทางลาบแล้วเออสบายมันต่างกันยังไงหรือยังไงโยมขาขึ้นเนี่ยพอมันขึ้นขึ้นไปแล้วโยมหยุดปุ๊บมันจะไหล เพราะมันเป็นทางชันอย่างนี้มันจะไหลวันหนึ่งโยมขึ้นไปสักห้าสิบเมตรเนี่ยพอหยุดหน่อยเดียมันไหลลงมาไหลลงมาไม่รู้ลงมากี่เมตรก็ไม่รู้พอโยมเริ่มขี่อีกมันก็ขึ้นไปอีกวันนึงก็ไปอีกห้าสิบเมตรถ้าหยุดนี่ยมันก็ลงลงลงลงถ้าขึ้นห้าสิบเมตรลงสักสิบเมตรเออก็ยังดีขี่ขึ้นไปอีกมันก็ขึ้นไปอีกห้ิเมตร พอหยุดมันก็ลงมาอีกสักแคสิบเมตรห้าเมตรแล้วก็ยังดีก็ขี่ไปเออย่งก็ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นถ้าขี่ไปห้าสิบเมตรแล้วก็หยุดมันลงมาอีกแล้วสี่สิบห้าเมตรแล้วราขี่ขึ้นไปอีกโ อ, โอ้โหตำรวจได้ได้สั่งสมไว้เป็นบุญญาณิี่แค่ห้าเมตรเองแต่วันออืขี่ไปอีกเจ็ดสิบเมตรรวมกันเป็นเจ็ดสิบห้าเมตรของมา่วานนั้นด้วย อ้าวพอหยุดมันเลื่อนมาอีกห้าสิบเมตรอ้าวพอเหลือย25เมตรขีดมันจะเป็นอย่างนี้ขาขึ้นมันเป็นอย่างนี้พายอมขึ้นไปถึงนี่ทางเลียบอย่างนี้เลยเนี่ยทางเลียบเนี่ยยอมยมทํามาแล้วร2อยยี่สิบเมตรพอยมวันนี้หยุดมันก็ร้อยี่สิบเมตรอยู่นั้นอะ่ะมันไม่ลงมันไม่ลื่นเพราะมันทางเลียบแล้ววันนี้ยม ปั่นไปอีกห้าสิบเมตรมันก็บวกไปอีกห้าสิบเมตรถ้ายมไม่ปั่นมันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ลงอีกแล้วแล้วมันทางอย่างนั้นแล้วทางเรียถ้าหยุดมันไม่ลงแล้วมันมันไม่ถอยหลังแล้วถ้าทำมันก็ไปหน้าไปหน้าอยู่เรื่อยนี่ถ้ายมทำฝาร์มเพียรไปถึงระดับแบบนั้นนะทางลับมันจะง่ายขึ้นถ้าหยุดมันไม่ล่วงแล้วเออมันอยู่ตัวเขาเรียกว่ามันอยู่ตัวแล้ว ถ้าทำนิดทำหน่อยมันก็ต่อต่อไปเรื่อยไอ้นี่ยง่ายพอไปถึงระดับที่มันจะลงปุ๊บโอ้ยโยมแค่ยังหัวลงไปหน่อยเดียพอมันเลื่อนปุ๊บเนี่ยโยมจะขี่ก็ได้จะถีบก็ได้จะไม่ถีบก็ได้มันไหลเลยไหลลงพรธเจ้า <c oughs> พูดว่าพอใครได้ไปถึงพระโสดาบันแล้วคนนั้นจะเป็นนิยตะบุคคล คือบุคคลที่มีความเที่ยงท้แน่นอนนิยตะแปลว่าพูดเที่ยงแท้แน่นอนเป็นนิยตะบุคคลฝ่ายดีนะเนี่ยถ้าไปถึงทางนี้แล้วเนี่ยคนนี่จะชื่อว่าเป็นนิยตะบุคคลผู้มีความเที่ยงท้แน่นอนแล้วว่าชีวิตของเขาจะต้องลื่นลงไปสู่พระนิพพานแน่นอนไม่ย้อนกลับขึ้นมาอีกแล้ว ไม่ไปเกิดอะไรวุ่นวายแล้วยังมากที่สุดเกิดอีกแค่เจ็ดชาติหรือสามสามชาติหรือชาติเดียวก็ไปถึงพระ น, นิพพานเนี่ยมันลื่นลงไปถึงพระ น, นิพพานเลยโดยถ้าถึงตอนนั้นโอ้ โ, โหสบายเลยช่วงลงในช่วงสุดท้ายแต่ช่วงที่มันทางลาบเนี่ยเอาให้ถึงตอนนี้ที่เรายังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างนี้ต้องใช้ความเพียรแน่มากหยุดมันลง ถีบมันขึ้นหยุดมันลงถีบมันขึ้นหยุดมันลงถีบมันขึ้นถีบมากหยุดน้อยถีบมากหยุดน้อยเออมันจะอะไขึ้นขึ้นขึ้นมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงก็ยังพอได้ตอนนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเคยเห็นหมาตกน้าไมโยมลงมามันขึ้นไมด้มันเล่น ตะกายทั้งท่าจะขึ้นอลงมาอีกตะกายทั้งท่าจะขึ้นลงมาอีกเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้ละโยมเคยเห็นตัวติ้งตัวงติ้งอะไรเห็นติ้งจกตกไปในะโถส่วมนะโยมตะกายตะกายขึ้นมาหน่อยเนี่ยลงอีกตะกายขึ้นอีกหน่อยต้องเอานิ้วไปช่วยมั้ยเนี่ยเราเหมือนว่าติ้งจกตกโถส้วม <laughs> <laughs> มาเปียกไปแย่ <laughs> ถามดาติ้งตกตกโถ่เสื่อนะคย่าเลยโยมแล้วมันต้องมองต้องเห็นภาพสิแล้วมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาอืมถ้าไม่เห็นภาพไม่อะไรสักแปลว่าทํว่าโอ้มันก็เดีก็ตั้งการนาเดี๋ยวก็เอาออกมันก็อยู่อย่างนี้เลยโยมร้อยวันพันปีเจ็ดชาติแสนชาติก็อย่างนี้เลยแค่ได้เป็นอุ ป, ปนิสัยแค่ได้เป็นสันดาณว่าเคยทําชอบทำอยากทํา ก็ดีนะโยมได้เป็นนิสัยได้เป็นสันดานก็ยังดีคือว่าถ้าได้เป็นนิสัยเป็นสันดานก็คือว่าทำให้มีสันดานชอบทำอยากทำมันได้นี่ก็ดีแต่ว่าไม่ได้สันดานเอาจริงเอาจังทำเหมือนกันอะแต่ไม่จริงจังนี่หนึ่งทำสองต้องมีความจริงจังแบบหลวงพ่อเทียนว่าคนจริงรู้ของจริงนนะ อาตมาก็ไม่ค่อยจริงเดี๋ยวก็จริงเดี๋ยวก็ไม่จริงแล้วก็จริงก็เป็นอย่างนี้แหละมันจริงจบตบหองช่วงเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเนี่ยพอยมเห็นภาพอย่างเงี้ยยมจะบอกตัวเองจะทํำยังไงอืมเป็นยังไงมันไม่ยากไม่ต้องอะไรหรอกเออแต่ยังหลวงพอ่อมหานี่ท่านก็ไปอีกแบบนึงหลวงพอ่อมหานี่ก็คิดแล้วก็เหมือนกับท่านเป็นพุทธทาสนี่แหละ หลวงพ่อพุทธทาสอย่างเดียวกันแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านหนึ่งเก่งปฏิบัติพระเก่งปฏิบัติมีเยอะแต่ไม่เก่งบาิียัาพระเก่งบาลียตดนะก็มีเยอะแต่ไม่เก่งปฏิบัติแต่พระที่ท่า น, นเก่งบาลียัดเก่งปฏิบัติเลยโอ้โหหายากที่สุดเลยอย่างหลวงพ่อของเรานี่แหละและที่หายากนี่ก็ไปแล้ว แต่ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านหนักไปทางอนาปานสติท่านเลยกประยุกตปริยัดใส่ไปในอนาปานตัติหน้าฟังหน้าทำตาแต่หลวงพ่อนี่เก่งปฏิบัติแบบยกมือของเราด้วยจับความรู้สึกด้วยแล้วพอท่านเก่งปริยตัติท่านก็ประยุกต์ใส่เข้าไปโอ้โหเลินไปเลยอะไรก็ฟังสว่างเบไงหมดเลยไปยังไงอืม นี่ถ้าท่านยังไม่ไปเป็นพระอรหันต์ที่ไหนนู่นท่านก็ไปเป็นพระสารีบุตรอยู่ข้างหน้านั่นแหละไปอยู่ข้างขวาของพุทธเจ้านั่นแหละเพราะท่านปัญญาท่านไปอย่างนั้นอืออย่างอาตมานี่ก็ไปบบเก๊กะกะไปอย่างโยมนะจะเป็นยังไงละ่ะดูเอาเองดิโยมนี่พูดถึง เ, เรื่องอะไรเนี่ยโยม เรื่องว่าะติอยู่ที่ไหนตอบได้แล้วต้องให้ไปอยู่อือแล้วก็ให้ไปอยู่ที่ฐานกายคือว่าให้แม่มาเยี่ยมลูกคนนี้บ่อยๆมากินมานั่งกินนอนกินเลยล่ะเข้าว่วมกับไปกับลูกด้วยนี่ ลูกเขากินความรู้สึกอยู่แล้วก็กินไปอ่ะเขาเรื่อยเป็นอย่างนั้นแหละต้องไปเรื่อยเลยพยายามอย่างนั้นแต่ว่าเรายัางว่าเขาเรียกว่าหมามันเคยกินขี่เนาะมันก็อดไม่ค่อยได้ให้มัไปกินอาหารเม็ดให้กินอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเห็นกินที่มันวิ่งไปเลยของเก่าของเคยๆ เ, เราก็เหมือนกันอนะ อยู่ก็ความคิดอยู่บ่อยๆนอนกับความคิดพอนอนเรามือไก่หน้ากากไปเลยไอ้นู่นไอน้ไอ น, นี่ไอ้นั่นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเวลานอนให้กระดิกขาอะไรรู้สึกไปจนกว่าจะหลับเพามันตื่นขึ้นมาปุ๊บ ก, กระดิกนู่นกระดิกนี่ไปจนกว่าจะหลับมันตื่นขึ้นมาปุ๊บ ก, กระดิกนู่นกระดิกนี่เนี่ยเราเปืนพฤติกรรมเพราะว่าขยาวแล้วมัน จิตมันไม่ไปไหนมันอยู่สงบยมเลี้ยงลูกทำไมเอาลูกใสนะ่เปล่ะทำไมต้องขย่าวนะทำไมต้องเข็ททำไมต้องขย่าวมนะันล่ะต้องการให้ใายมันถูกขย่าวใจไม่ได้หยุดบ้าหยุดอะไรลนก็เงียบพอยมไปทำอะไรทำเปให้นิ่งๆอยู่ปุ๊บใจมันก็นิ่งพอใจใจมันนิ่งใจมันก็เอ้าวเ้ว หายากเลยรีบวิ่งมาขยเออมันกต้องขยาวอยู่เรื่อยถ้ามันล้องหนักทำยังไงล่ะขยาวมือหยิบขึ้นมาเลยกระโดดตบตูดตบตูดเออคือว่าเร่งความรู้สึกให้มากหน่อยเดี๋ยวมึงก็สาวไปลงนอนไ้ไปไปไปเห็นไหมจับลูกให้รู้สึกไปไปไปไป บางทีลูกบางคนนอนยากยากอาตมาเห็นมากบางคนโอ้โหปวูวูดวูวูดมันก็ตะกายขึ้นมาเอาไอ้หานี่นอนยากเอาราอยากแกว่งไหยังเอ๊ะมันยากเลยต้องทั้งแกวงด้วยทั้งทั้งเหตุกลมด้วยมันถึงจะอยู่อย่างโยมเนี่ยปฏิบัติเอากับความคิดไม่อยู่ ต้องใช้ภาวนาเหมือนกันภาวนาอะไรเนี่ยกัลยาตเราอุตมายาภาวนาว่าอะไร้จัจะเดินไปก็เห็นจัจะเห็นจัจะเห็นจัจะเดินตงรมเน่ถ้ามันเอาไม่อยู่นะเห็นจัจะเห็นจจกสติคือการเห็นจัจจะเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นกัน จ, uce, จ, uce, จ uce, ั๊จัต่อหน่าต่อตาเลยนี่แหละนี่แหละคือสติอารมณ์ของสติพอมันเดินคิดมากอ่ะจั๊กจัจั๊จัอขามันลงไปเห็นจั๊กจัรู้จั๊จั่รู้จั๊จั่จั๊จัเลยจัจั๊จั๊กเล่นมันอย่างนี้เลยโยมมันกัเหกกอมมันเลยโยมมันดื้อมากเอามาอยู่ตังัดเพลงขึ้นมาเหกกอมแบบมากเขาทำนะเราก็อย่างนี้เหมือนกัน แล้วแต่จะทำยังไงเอาให้มันอยู่นั่นแหละโยมพอโยมทำอย่างนี้ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาผิดเอาถูกเอาอะไรเลยมันก็เอากา n ําวางไว้แล้วก็พอแล้วไม่ต้องอะไรอีกคำว่าพอแล้วไม่ต้องอะไรอีกคือว่าเราถึงอุเบกขาพอดีเลยอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยเนี่ยแต่อุเบกขาเนี่ยมันแปลว่าพอแล้ว ไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วนิดหนึ่งเลยอย่างโยมทำส้มตัมขึ้นมาเอ้ยแกงส้มอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยใส่อะไรพอแล้วก็ตั้งเฉยๆตั้งเฉยๆมันพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วอยูเย่เฉยๆได้แล้วเนี่ยวางเบะขาได้แล้วลูกหยิบน้ำปลาจะมาหย่อยเ อ, อ้ยพอแล้วกูใส่พอแล้วไปเก็บ อยู่เฉยๆเนี่ยให้อุเบกขาเขาอยู่เฉยพอแล้วเดี๋ยวไปหยิบมะนาวมาบีบอีกเฮ้ยพอแล้วพอกูใส่พอแล้วมึงไม่ต้องอะไรอยู่ใเฉยๆเนี่ยอุเบกขาอยู่เฉยถ้าของมันพอแล้วไม่ต้องไปลดไม่ต้องไปเพิ่มคนเนี่ยไม่รู้จักไอ้อุเบกขาตัวเนี้ยพอมันพอแล้วเนี่ยไปแต่งไปเติมไปเสริมอะไรมันอีกเละเ ถ, ถ้าของมันพอดีแล้วเนี่ย ถ้าพอแล้วมันก็ดีมันดีที่มันพอถ้าพอดีแล้วลดอีกผิดเล ย, ไ ม, นะเมเลยไม่ดีเลยเพิ่มอีกผิดเลยไม่ดีเลยไอตอนที่มันดีนะมันพอแล้วก็หยุดเลยหยุดสร้างหยุดสรรหยุดอะไรปล่อยเฉยๆเอา น, น้ำใส่กาเอาฝาปิดอะไรเสร็จเรียบร้อยวางพอวางแล้วก็พอหยุดไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกพอ คอยอย่างเดียวรออย่างเดียวคอยอย่างเดียวรออย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเดียดของมันขึ้นมาเองไม่ต้องทําอย่างอื่นอีกเลยเนี่ยอุเบกขามันพอแล้วหยุดแล้วไม่ไม่เติมไม่เพิมอะไรแล้วคอยเฉยเอุเบกขาคือคอยเฉยเเราจะทําแบบนี้ไม่ได้อุเบกขามันจะมีความปวดเจร็งอะไรจะเพิม่มจะเติมจะเสริมอยู่อย่างนั้นเลยโยมและ เละก็ยังโยมทําแกงซุบมันพอดีเล ย, ยไปใส่อะไรเข้าไปอีกนีเอาใส่เข้าไปอีกทีใส่น้ําปลาอีกใส่น้ําซุบอีกเด็กก็ไปกันใหญ่เลยพริกมันก็เผ็ดมันพอดีแล้วเทเข้าไปอีกที่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพระของพอแล้วก็หยุดทุกอย่างวางถืออุบเบกขานี่หละเราไม่รู้จักตัวนี้มันไปกันเรื่อยเลยอาตมาก็าจะรู้จักนะโอ้โหนาน แต่รู้จักทางบริยัติมาก่อนก็อา่านของหลวงพ่อพุทธทาสนี่แหละมาตั้งนานปีแล้วล่ะเนี่ยเราต้องรู้จักคุ้มเกมทาเราแต่งอารมณ์ให้เป็นกรรมฐานอารมณ์ให้เป็นสติอารมณ์ให้เป็นมหาสติแล้วแต่งได้แล้วก็ตรวจ ด, ดูอะไรควรที่เอาเข้ามีไหมเยอะไหมพอไหมอะไรควรที่เอาออกก็เอาออก เช่นอภิชาโสมณัตเนี่ยให้เอาออกไอความเงีวเหง า, าเอาออกมีความขี้เกียจเอาออกไม่ความไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เอาใส่เข้าไปมีความไม่ก็ปี้กระเป๋าให้ใส่เข้าไปไม่ค่อยอยากจะทํามันจังะตาใจภาษาถว่ะทำเอาความตื่นเนื้อตื่นตัวใส่เข้าไปต้องมองดูอยู่เรื่อยเหมือนคนขับรถเนี่ยขับไปหน่อยแล้วก็เรามาเคาะยางดูอืม เดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่มาเดีดูนะอ่าเขาก็เช็กดูเอออ่าใช้ได้ลราไปเราต้องรู้จักเช็กเพราะเราเป็นคนสร้างนะผู้สร้างสร้างอารมณ์กรรมฐานสร้างอารมณ์สติต้องรู้จักสร้างพอมันได้สัตสว์สวรรค์แล้วก็พอเนี่ยตัวเนี่ยโยบตัวพอนีแล้วมันจะไปของมันเองให้พอ จัทธาริยะสติสมาธิปัญญามองทีละตัวก็ได้จัทธาถ้ายังไม่มีก็เพิ่มมันวิรยะถ้ามันมากเกินไปก็ต้องลดลงสติสตินี่ไม่มีคำว่าขาดหรอกสมาธิถ้ธสมาธิสูงขึ้นไปต้องลดลงถ้าสมาธิสูงขึ้นไปมากนะไอ้อำนานาสมาธิเนี่ยมันไป สะกดตัววิตกวิจารไม่ให้ทำงานไม่ให้ตัวนึกไม่ให้ตัวคิดทำงานมันจะหยุดไปเลยทงหลังที่มีวิจารก็มีไม่มีวิจารนี่ไม่ได้คนสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าหรือสีทีพายมันไม่รู้จักช่องที่จะไปนิพานมันจับจิตให้สูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงขึ้นไปตนวิตกวิจารรายหายไปหมด มันเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะวิจามาทําตามเข้าไปแล้วมันไม่ได้อะไรเลยต้องลดลดลดลดลดลดลดลดลดลงมาจงมีตัวตกวิตกตัววิจารณ์น่ะแล้วก็ให้อยู่แค่นั้นก็ให้อยู่แค่นั้นปล่อยให้ตัววิตกวิจารณ์มันไปเห็นของจริงแล้วมันจะวิจารณ์ของมันขึ้นมาเองเราไม่ต้องวิจารจากเขาเราวิจารจากเขาเราไปลากเอาไห้พวก รู้จักรู้จามาสอนมันไม่ใช่ต้องปล่อยให้มันเห็นเองให้มันรู้เราคอยอ๋ออ๋ออย่างนี้เองเลยนี่แสดงว่าที่เราเห็นเราไม่ได้คิดเองนะเขาพาให้เห็นพอเราเห็นตามเขาก็อ๋ออย่างนี้เองเลยอือเขาจะพาให้เห็นสิ่งที่พาให้เห็นเนี่ยเขาเรียกว่ายานยานโยมคนไหนที่ เคยยานพาไปหเห็นก็จะรู้มันจะพาไปเลยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้บงกางเราอยู่เฉยๆนี่แหละแต่มันจะรู้นั่นเห็นนี่รู้นั่นเห็นนี่ออกมาไปเรื่อยงๆใ น, ในเด็กจะยานยานมันพาไปอาตมาเคยเจอบ่อยๆไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่พยายามเจอละตอนที่เจอส่วนมากจะอ่านพระไตรปิฎกโยมจะลฟ์ฟั ง, งนเวลายานออกสักนิดหนึ่งไอ ยังม ok ืดอยู่นะเอาฮะได้แล้วเหรอก็สมควรแก่เวลาฟางไปอะไรที่เก็บเอาไปเสริมไปเพิ่มไปเติมกับการปฏิบัติของเราก็เอาไปทำด้วอะไรที่เห็นรู้สึกว่า เอ้ยมาเอาเอางเอนี่ยเอ้ยเองเอนี่มันก็อยู่ที่โยมะก็เหมือนกับเดินไปตามร้านค้านะ่ะอยากได้ก็ซื้อไปไม่อยากได้ก็เดินผ่านไปซ้ำนี้เองนะ seconds. ได้อะไรก็ขอให้ไปเป็นเออเป็นเครื่องมือไปช่วยเสริมช่วยเติมให้การปฏิบัติของโยมให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นให้มีสติมากขึ้นสูงขึ้น แล้วก็อยู่อย่างมั่งคงถาวรขึ้นแล้วก็ให้เติมวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มรรผบนิผ่านโดยการทุกท่านทุกคนเธิ